ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิญาณได้นำเสนอธรรมจักรัวันสูตรก็มาจบลงด้วยดีเมื่อบันก่อนแต่วันนี้เห็นว่าควรจะกลับมามองอริยสัจอีกสักรอบหนึ่งคือมองในแนวที่เรียกว่าเป็นโสรถสกิจ เศรษสประการในอริยสัจที่เคยพูดไว้ในวันก่อนว่าเสมาธรรมาจาักถ้าสซี่นั้นหมายถึงอริยสัจสี 4. ถ้า8ดซี่หมายถึงอริมาร์ไปอประการถ้าสิสองซี่หมายถึงพยานสมที่เกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามมีอาการสิบสองแต่ถ้าสิบหซี่แล้วก็หมายถึงโสรสกิจ คือกิจของอริยสัจสี่ 4, แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สี่ประการด้วยกันท่นี้ท่านแสดงไว้ในดีกาธรรมจักรนะฮะไม่ไม่ใช่ในประสูนในประสูนไม่ไม่มีข้อความอย่างนี้แต่ปรากฏในดีกาธรรมจั ก, กรวัตนาสูตรต่อให้นัยยะไว้ค่อนข้างพิสดารแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะฮะเพราะว่าได้ให้อัตตะคือเนื้อหาสาระของอริยสัจแต่ละข้อ ว่ากรอบที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเช่นว่าทุกอาเรศมีกิจอยู่สี่ประการอย่าลืมวัตถุในอาเรศนั้นเป็นทุกข์ไม่เหมือนกับทุกข์ในใจลักทีเดียวทุกข์ในใจลักเป็นทุกข์ที่ครอบคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมมาไว้นะมันคลุมไว้ได้ทั้งหมดว่าเป็นสามั ญ, ญลักษณ์ ลักษณะที่เสมอเหมือนกันในสังขารทั้งหลายแม้แต่ว่าในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตมันคลุมอยู่ด้วยกฎของทุกขตากับความเป็นทุกข์แต่ว่าทุกในเริยสัตว์นั้นเป็นทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากกิเลสหมายความสืบเนื่องมาจากตัณหาจะเป็นตัณหาเป็นอได้เกิดหรือตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็ตาม แล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์วันที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณความตายเป็นทุกข์ความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเจใจความกับแค้นใจเป็นต้นเนี่แต่ละอย่างก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอันปัจจัยปรุงแต่งให้บันเกิดขึ้นเช่นความเกิดอย่างเนี้ยเราก็เกิดด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่เป็นส่วนรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรม ธัวนุ ป, ปรธรรมก็คือสเปิร์มกับไข่ของมารดาพิดาส่วนนามรธรรมก็คือกิเลสกรรมแล้วก็บิญญาณมาผสมกันอย่างได้สัสดส่วนมันก็ให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาจะอยู่ได้ยังยืนเท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านั่นก็คือชีวิตที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็้เกิดเป็นความเกิดความแก่เองมันก็มาจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ เราสังเกตว่าคนเราในปัจจุบันเนี่ยยิ่งยิ่งเห็นได้ชัดเจนนะฮะบางคนบางคนเกษียณแล้วยุหกสิบแล้วยังดูแข็งแรงเหลือเกินยังดูหนุ่มอยู่แน่นอย่างสี่สี่สิบห้าปีกเราก็ทักเขาผิดนั้นก็แสดงว่าเหตุปัจจัยให้แก่เนี่ยมันก็มีจากเหตุปัจจัยแล้วก็มาจากปัจจัยภายใ น, ในบ้างภายนอกบ้างเราจะเห็นว่าอย่างพวกกรรมกรอย่างกุลีอย่างชาวนาเนี่ยเขาจะแก่เร็วกว่าปกติ เพราะว่าทางานหนักอาจจะอาหารไม่อพออาหารขาดสารอาหารที่ถูกที่ควรอะไรก็ตามแ้ะก็เราจะเห็นว่าบางทีก็เจอข้าเราก็เรียกโยมพูดไปพูดมาอายุก็ยังเด็กกว่าเราตั้งเยอะเลยก็แสดงให้เห็น้งว่าความแก่เองมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยือนกันความป่วยนั่นแน่นอนต้องมีเหตุปัจจัยสมุตฐานเยอะเยอะนะฮะแสดงอาการออกมาเนี่ย แสดงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาจากเหตุปัจจัยความตายยิ่งเป็นเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพราะงั้นตัวเนี้ยมันก็ น, นําไปเทียบเคียงสิ่งต่างๆได้ว่ามันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างคนไทยเรานิยมพูดถึงเรื่องชีวิตไว้เป็นอันมากเช่นสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแค่สองคนอออสองคนพาไป เป็นการแสดงถึงกระบวนการของชีวิตว่าสี่คนห้ามก็คือธาตุสี่สามคนแหก็คือใจ ร, รักษณ์หรือเกิดแก่ตายนะฮะใรักก็คือนิจังทุกขังอน้าตาก็แหกชีวิตลงไปหรือเกิดแก่ตายคนหนึ่งนั่งแท้ก็คือดวงจิตสองคนพาไปก็คือบุญและบาปที่นําเราไปสู่สังสาระทุกข์ด้วยประการต่างๆเพราะงั้น ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนจึงเป็นเรื่องของกระบวนการของเหตุปัจจัยตั้งแต่เกิดมานะฮะล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยจะมีการเบียดเบียน ด, ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกไม่ให้ปกติสุขร่างกายเราดูอีกทีหนึ่งมันเป็นก้อนทุกข์หรือเป็นกองทุกขก็เรียกว่าทุกขกระขันหรือกองกองทุกข์มีปัญหาสารพัดสารเพเต็มไปหมดเลยยุ่งยากวุ่นวาย จนว่าพระเถรีวชิราเถรีภิกษุณีท่านได้กล่าวไว้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกาก่ทุกไม่มีอะไรเกิดนอกาก่ทุกไม่มีอะไรดับนั่นเป็นความจริงที่พิสูจน์ทดสอบได้ทุกการทุกสมัยแล้วก็มีความเล่าร้อนด้วยอาการทางภายในแม้แต่ว่าเรื่องสิบเรื่องที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจาวัน ล้วก็แก้กมันไม่เคยตกเลยนั่นคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแล้วก็แก่เจ็บตายทั้งหมดเราไม่เคยแก้ไขมันได้เราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับมันตลอดเราทำได้ก็เพียงได้บรรเทาลงไปเท่านั้นเองแล้วความเร่าร้อนอย่างที่เสียแทงจากโรคต่างๆอีกจาก ลงพาอากาศจากนั่งอีเดียบทอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันก็ปลอให้เกิดความร้อนร้อนด้วยกันทั้งนั้นและในขณะเดียวกันก็แปรปวนแปรผันไปไม่ได้คงที่อะไรทั้งกินกินแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็หิวหิวแล้วก็กินกินแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็หิวอะไรต่ออะไรเนี่ยแกก็เจ็บก็าตายก็หมุนวนกันทั้งช่วงยาวช่วงสั้นเนี่ยมันรักลักษณะแปรปวนอยู่ตลอด คือไม่คงที่ไม่มีอะไรที่คงที่อยู่ได้เป็นอาการเลื่อนไหลไม่หยุดนิ่งของสังขารทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอาการของทุกขสัตว์ก็เรียกว่าทุกขเรศมีกิจสี่ประการนะคือในอตว่าเบียดเบียนในอตว่าปจัจจัยปุงแรงในอตว่าเราร้อนแล้วก็ในอตว่าแปรปรวนที่นี้ส่วนสมุทัยคือตัณหาทั้งสามประการนะ ตนาทังสามอาการนั้นมันมีอาการที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรว่าโปโนโพวิกาก่อให้เกิดความมีความเป็นที่สืบเนื่องกันไปนันดิดาก a s สังกตาจิตสารคตด้วยความกับหนักเรื่อมหน้าของความเพลิดเพลินตะตา ต, ต, ตราพินันดินีจิตมันเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นนี้ก็เป็นอาการของกิเลส ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ออกมาเป็นรูปของการมาตัญหาคือดิ้นรนทะเยอทยานอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพละธรรมารม์ที่น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็อยากเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน่นตลอดถึงเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นปรายะอะไรแต่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความอยากนั้นนั้นแล้วก็วิปวตัญหาคือความไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็น ก็สรุปแล้วว่าเป็นอาการของตัณหาทั้งสามอาการเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เป็นเหตุอัตว่าให้เกิดกองทุกกองทุกก็คือทุกขขันเนี่ยทุกขขันที่เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยเป็นกองเป็นก้อนทุกข์หรือเป็นกองทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดแก่ตายก็มาจากตัณหานะฮรแล้วการ อยากได้อยากเป็นอยากมีไม่ต้องการได้ไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการมีพรงนี้มันมันเป็นเหตหุเกิดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอยากได้ไม่ได้อยากมีไม่มีอยากเป็นไม่เป็นก็เป็นทุกข์เอาอยากได้ก็ได้อยากมีก็มีอยากเป็นก็เป็นก็เป็นทุกข์นะฮะเป็นทุกข์ในการหวงแหนในการดูแลการรักษาการป้องกันกลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายขึ้นมาแค่สิ่งที่ตนรักใคร่พอใจตกลงว่าเอานิยายอะไรไม่ค่อยได้ เอ่อมีเหตุแห่งทุกข์อยู่ตลอดระยะเวลาเลยแล้วก็ในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็เหมือนกันอ่าถ้าเกิดต้องได้ต้องมีต้องเป็นขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าเกิดไอเราไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอย่างหนึ่งในที่จริงเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นพอไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอีก แล้วก็อาจว่าประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์คือเป็นเหตุให้หมุนวนเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยตัณหาเหมือนกระเถอยันทรายที่มันเลื่อยไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อยไปแล้วก็ปลูกมัดรกรัดึงสิ่งต่างๆเป็นตันหาปราทานไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขังไว้สัตว์ไว้ในเรือนจําคือสังสารทุกข์ศาส์ใดที่ตัณหายังมีอยู่ยังครอบงาจิตใจของมนุษย์อยู่ จากนั้นเราก็หลุดพ้นจากสังสาระทุกข์ไม่ได้เพราะว่ากิจที่หลุดพ้นจากตัณหาท่นั้นจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ในรูปแบบต่างๆได้ประการต่อไปนิโรธมีกิจสี่เหมือนกันคืออาจว่าให้ออกจากอุปาทิคำว่าอุปาทิในที่นี้หมายถึงกิเลส ก, ก็ได้นะฮะหมายถึงกิเลส ก, ก็ได้หมายถึงกรรมก็ได้หมายถึงสังขารก็ได้ สังขารก็เรียกว่าสังขารูุป athi ถ้ากรรมก็เรียกว่ากรรมมุปะทิกิเลสก็กิเลสอุป athi แล้วก็ตลอดถึงการมุนบนอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยก็ที่จริงก็เป็นอุป athi ประการหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นเมื่อบุคคลดับตัญหาได้มันก็ออกจากอุป athi ได้ไม่ว่าจะเป็นตัญหาจะเป็นกรรมจะเป็นกิเลสจะเป็นขันธ นะก็ออกไปได้ทั้งหมดขันผูไปที่ออกไปจากความยึดมัน่นถือมั่นในขันทั้งหลายก็ได้แล้วก็สงดจากกิเลสคือว่าไม่มีกิเลสที่จะทำให้จิตมันฟูหรือมันแฟบด้วยแรงผลักดันของกิเลสทั้งหลายเพราะว่ากิเลสได้ดับไปอย่างสิ้นเชิงจากจิตใจของท่านท่านก็อยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันถึงความจริงในสัตว์และสังขารทั้งหลาย จะมีอารมณ์มายั่วยุวยั่วยวนมากระตุ้นมายุแย่ามาข่มคูมาคุกคามให้เกิดความรักความชังความกลัวความหลงอะไรแต่ใดเนี่ยจิตใจคนท่านที่เข้าถึงนิโรดนี่จะไม่เกิดแปรผันไปตามแรงเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเป็นอสังขัดนัทธะคือไม่มีสิ่งที่มาปรุงแต่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแปรผันไปแต่ประการใดแล้วก็ เป็นอมตะอมรุมตรรตะรถไอเ น, นี่ยคือที่เขาบอกว่าจิตเป็นอมตะบาทีเป็นจิตเป็นอมตะคือว่าตัวนิพพานเนี่ยเป็นอมรุมตรตะรสคือทำผู้ดืบไม่ให้ตายที่ไม่ตายเพราะไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคื อ, อเป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรวัตนาสูตรตรงใ้คาอยู่สี่คนะฮะ ปลวากานดับตนนัณหา n a จโกการสละตนนัณหา n a มุติการหลุดพ้นจากตัณปฏินิสก ก, การถ่ายถอนตนนัณหาั a นมุติการหลุดพ้นจากตัณหานั้ น, นาฬโยจิตใจไม่อะไรในตนนัณหาั a นอีกต่อไปแล้วก็ผลก็คือออกมาเป็นอมริตรรสอมรึตรรคือสิ่งที่สัมผัสแล้วไม่ตายที่พระพุทธเจ้าตอนพบ ก, กับปัญญาวคีครั้งแรกเนะี่ยก็รับสั่งอย่างนี้เหมือนกัน ว่าบัดนี้เราได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาเพื่อจะแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลายก็เรียกว่าอมตะธรรมแก่ท่านทั้งหลายหมายความธรรมะมที่ทำผู้ดืม่มผู้ปฏิบัติแม่ตายนั่นเองเพราะฉะนั้นอาการของนิโรธจึงเป็นอมรุตตะรดประการต่อไปอ ร, อ, อริยมรรคมีองค์แปดประการ ให้มากไปลงไปประการนั้นเพราะอัตว่าคนสัตว์ออกจากสังออกจากวัตสงสารวัตตสงสารเนี่ยวัตะเนี่ยมันประกอบโดยองค์ประกอบหลักสามประการคือกิเลสกรรมและก็วิบากเราเจื่ว่ามันจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเช่นยกตัวอย่างเรารับประทานอาหารเนี่ยเราพอใจในอาหารเหล่านั้น การรับประทานอาหารนั้นเป็นเป็นกรรมนะฮะแต่ว่าความอยากการรับประทานนั้นเป็นกิเลสการรับประทานก็เป็นกรรมพอรับประทานแล้วรู้สึกรสชาติบรรลัยก็พอใจติดใจในรสชาติอาหารเหล่านั้นแล้กิเลสมัก็เกิดขึ้นใหมีกเขาไปหารับประทานอีกรับประทานอีกก็เกิดอยากขึ้นอีก็กรับประทานอีก ฮันท์บางครั้งบางคราวในจําเจสัมซา ก, กินอะไร ส, มสัมซาเจนโพนันเลงเล่าในดื่มเหล้าดื่มแล้วดื่มอีกนี่ถ้ารนับเป็นตุ่มตรุ่ ม, มนะฮะดื่มกันแล้วก็ดื่มกันอีกก็ไม่รู้ได้อะไรขึ้นมาแหละแต่ว่าพวกเหล่านี้มันเป็นวงจรของมันเป็นวัตจักรของมันมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมผลของกรรมมันกระตุ้นกิเลสมันก็ กิเลสเกิดแล้วก็ทํากรรมทํากรรมไอ้ผลของกรรมก็กระตุ้นกิเลสอีกก็ทํากรรมอีกก็หมุนวนก็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้เข้าถึงนิโรธก็ออกจากอุปธิธได้ท่านก็ไม่ต้องหมุนวนอยู่ในวัฏสงสารนั้นอีกต่อไปเพราะท่านถอนตัณหาพร้อมทงบุญดากได้แล้วหรือบางทีเราพูดถึงดับปวิชาดับตัณหาดับโลภะดับอะไรก็ได้นะกิเลส ด, ดับก็ดับด้บดวยกันน่ะ คนนี้เกิดก็เกิดโดยการดับก็ดับด้วยกันดังนั้นท่านจึงบอกว่าถอนตัณหาพร้อมทางมูดรากคือมูดรากของเข า, าคืออวิชานะอวิชาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจัยเกิดพบพบอย่าปัจจัยเกิดชาติชาติก็คือฉรามมณโสกาปิเตวะทุกโถมณอุปา ย, ยาติเองก็ว่ากันแล้วก็ เป็นอัตว่าเป็นเหตุแห่งนิพพานนิพพานนั้นเป็นชื่อชื่อหนึ่งในหลายๆายชื่อมีการรวบรวมเอาไว้ว่ามีถึงก็เราวร้อยราวร้อยชื่อนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงสื่อทางผ่านพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็มากกว่านั้นก็ยังนึกว่าเป็นหลายร้อยข้อด้วยกันเพราะในอุบาลีวาทสูตรถุดเดียวเนี่มีทั้งสิบข้อนะฮะ ในการสื่อถึงนิพพานในการทั้งนั้นแต่ว่าเรียกในนามพระกุลของพระพุทธเจ้านิพพานนั้นมีเป็นสองระดับระดับหนึ่งสาวุปาติเสสนิพพานาคือดับกิเลสแต่เบญจขันยังอยู่คือชีวิตยังอยู่ได้ แ, แก่พระหันที่ยังไม่ตายผูง้ง่ามพระอานที่ยังไม่ตายแต่สาวุปาติเสสนิพพานนั้นทนาราธิบายไว้สองระดับระดับหนึ่งเป็น ตั้งแต่พระโสดาบัณขึ้นไปนะฮประโสูติบันฑประตะกิตาคาประตกระกาตกะาปัญนาคาตลอดถึงพระอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานก็ เ, เรียกว่าสาวุปาติเสสนิพพานแล้วพระหรันต่นิพพานแล้วเนี่ยนิพพานพระหรันต่ตายปุงงนะ่ายพระหรันต่ตายเนี่ยเรียกนอนุปาทิเศสนิพพานนะท่านคือดับทั้งกิเลสดับทั้งขันหมดแล้วก็เป็นการดับโดยไม่มีเชื้อเหลืออีกต่อไป ไม่มีการเกิดไม่มีผู้เกิดไม่มีการไปเกิดไม่มีพบที่เกิดคือไม่มีหมดแต่มีเหลือแต่พระคุณนั่นที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือการมีดํารงอยู่เฉพาะพระคุณเนี่ยมันเป็นความดีคือพระคุณนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราดำรงอยู่ในตัวคนเนี่ยบางทีมันเอาลมเพลลมพัดนะคนเนี่ยดํารงอยู่เราจะเห็นว่าอย่าง ที่เกี่ยวก็พูดถึงพระเจ้าบางทีก็เกลี้ยกล่บางทีก็พิโรธบางทีก็สังฆ่าคนในเยอะแยะไปหมดเลยนะพระเจ้าเวลาพิโรธขึ้นมาเนี่ยแต่พระคุณพระพุทธเจ้านี่มีแต่อบอุ่อเนเยือกเย็นมีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมห า, าคุณคุณนั้นมีแต่คุณอุปการต่อโลกมนุษย์โดยส่วนเดียวไม่มีความที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้ แล้วเราก็สามารถปฏิบัติสัมผัสพระพุทธคุณของพระองค์ได้ทุกขณะต้องการปัญญาคุณก็คิดในเรื่องเต่เกิดปัญญาอ่านในเรื่องเต่เกิดปัญญาฟังในเรื่องเต่เกิดปัญญาน้อมเอาปัญญาเข้ามาไว้ภายในตนมันทำได้ตลอดคือเราติดต่อพระพุทธเจ้าได้ตลอดเมือ่อพระพุทธเจ้าดารงอยู่เฉพาะพระคุณเนี่ย ดำยงอยู่ด้วยพระองค์ที่เป็นองค์ที่สมมติว่าไปพูดไปว่าไปประทับอยู่ที่อายตนันิพพานเนี่ยก็ไม่มีใครติดต่อท่านใดมีอาจารย์พนิดอยู่โพท่านเขียนเล่าไว้ท่านไปสัมภาษณ์ดงตาองค์หนึ่งดวงตาองค์นี้พอวัวค่ำเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วดับดับไฟนะดับไฟอยู่นอนประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแล้วก็ตุกจุดไฟึ้นมาทางานต่อ ก็ก็สงสัยสอบถามมาลงตาทําอะไรตวัวข้ามาดับไฟทําอะไรบอกว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าที่ไหนที่อายตังนิพพานอายตังนิพพานอยู่ที่ไหนอนธิบายไม่ได้นะฮะแต่ว่าไปเฝ้าถามพระเจ้ารูปร่างเป็นยังไงรูปร่างก็เหมือนพระพุทธรูปในโบสถ์รับสั่งยังไงบ้างแม่ไม่รับสั่งอะไร โดยไหว้เฉยๆอย่างงั้นแ่ะไหว้ใจไหว้เฉย ๆ, ๆพี่เจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรนั้นเราจะเห็นว่าเป็นอุปาทานที่สร้างขึ้นแล้วถ้ให้คนเหล่านี้สเก็ตพระพุทธรูปออกมาตามที่ตนเห็นนี่เห็นไม่เ ห, เหมือนกันนะครัพี่เจ้าองค์เดียวกันแต่จะเห็นไม่เหมือนกันเพราะขึ้นดูกับว่าอุปาทานประยิด ต, ติดอยู่ในพระพุทธรูปองค์ไหนพระพุทธปฏิมาองค์ไหน ส่วนมากคนนี้จะออกมาเป็นรูปเกศบวตรูไม่ใช่เกศประเพลิงไม่ใช่พ ร, ระมารีเกศพระเพลิงเกศบวตรูตลอดแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยชาวาพูทธเดือดร้อนบุทธบายได้อะไรต่างๆกันก็จะเสด็จมาช่วยก็ไม่ได้เสด็จมาช่วยแต่การดำรงอยู่โดยพระคุณเนี่ยเราจะน้อมนําอาพระคุณมาประพฤติปฏิบัติเมื่อไร่ก็สามารถปฏิบัติได้ แล้วก็สัมผัสความสุขความสงบจามความเยือกเย็นจากพระพุทธคุณได้แล้วก็เป็นอัจไดหเห็นนิพพานหมายความคนจะเห็นนิพพานก็ต้องปฏิบัติกระทําให้สมบูรณ์ในอริมัชยองแปดประการเราเห็นนิพพานก็ตอนที่เขาเรียกว่าเกิดมรรคสามังคีอริมัชยองแปดประการได้รับการปฏิบัติโดยสมบูรณ์ก็เกิดเป็นญาณขึ้นมาที่เราสัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบ เกิดปุดขึ้นก็เห็นนิพพานนะฮะจิตก็หลุดพ้นจากอานาจของกิเลสในทางที่ชอบแล้วก็เป็นอัตเป็นอาทิปดีเป็นใหญ่ในวิมุตติญาณนะทัศนะคือความรู้ความเห็นในวิมุติคือสภาพของจิตตนเองที่หลุดพ้นออกไปเนี่ยอะเลมัคที่เป็นใหญ่เป็นตัวสร้างขึ้นนะฮะเป็นตัวสร้างขึ้นเพรที่จริงเวลาท่านเรียงเวลาเรียงในที่บางแห่งเนี่ยเรียงไปห้าอย่างแต่นั้นเอง เช่นว่าสาระสาระด้วยแก่นแก่นของพระพุทธศาสนาเรียงไว้ห้าระดับด้วยกันเป็นผลได้สองระดับเป็นเหตุจะสามระดับหมายความว่าเหตุก็คืออริยมรรคเป็งคประกประการนั่นแหละแต่ทรงเรียงว่าศีลสาระแก่นคือศีลสมาธิสาระแก่นคือสมาธิปัญญาสาระแก่นคือปัญญาตรงนี้ก็ที่จริงก็คืออริยมรรคอริยมรรคเป็นองคปรประการ แล้วเมื่ออะรียมาร์พโยงแปดประการได้รับการประพฤติปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์หมดทั้งแปดข้อมันก็กลายเป็นวิมุตติสาระคือแก่น ค, คือคือวิมุตติแก่สภาพจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์พอต่อจากนั้นก็กลายเป็นวิมุตติยานทัทสนาศาระคือความรู้ความเห็นในตัววิมุตตว่าจิตของตนนั้นเองนั้นได้หลุดพ้นจาก สับปีเกเลสัสบปะทุกได้ดยประการทั้งปวงแล้วไม่ต้องเวียนว่าตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นแก่พราพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายว่าการหลุดพ้นก็เราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปนี่ก็เป็นโซลสกิจนะฮะคือกิจสิบหกประการในอริยสัจ ทั้งสี่ประการดิการธรรมจักรท่านจำแนกไว้เป็นอย่างละสีข้อคือหมายความว่าอริยสัจแต่ละข้อมาเกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่อย่างละส 4. 4ี่สี่ก็รวมเป็นสิบกประการเป็นการเพิ่มเติมในยะของธรรมจักรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต้องฝั่งทั้งหลายใตร่มโพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี